ถ้าท่านป่าไม้จังหวัดมายัางติดใจยังอยากจะมาฟังหลวงปู่ฟังให้เทศได้ฟังมาฟังธรรมธรรมดาถ้าป่าไม้จังหวัดไม่ค่อยได้ไปไหนมีก็ท่านกับหลวงปู่ฟันแล้วก็มาตั้งวันแรกมานี่คุณนายท่านชอบอยู่แล้วพอมาวันหลังเลยชวนคุณ น, นายมาเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมานี่คิดว่าว่างๆท่านก็คงจะมาได้ทราบว่าได้ทราบว่าคุณอยู่นี่ก็ยิ่งจะมารักอีกนึง ไปจะไปพักก <c oughs> <Are> ็ไปให้เหลียวคนเดียวให้เหลียวคนเดียวพุทโธธรมโสงโกพุทโธธรรมโสงโกพุทโธธรมโสมโก้ไปธรรมโมสังโกเอาแขวนไว้ในใจลำสบายดีมันไม่ลืมเอาแขวนไว้ที่นอกมันลืมแล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดี พร้อมเอากายถวายชีวิตและจิตใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระนิพพานพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยด่วนเลือกได้ไม่ลือกได้กว่าดีจะขอทุกุลถวายสกุลละกายวาจาใจเป็นข้าเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี้ลดเยี่ยวลดเกียบย่ำถมน้ําลายคลายคลายนำมกใสในสกุลและกายสกุลและวาจาสกุลและใจ ของข้าพเจ้าอยู่ทั้งวันไม่มีประมาณถือนั่นหมดเทานั้นละการถึงอภิธรรมประสงค์ยังไม่ค่อยใหญ่ข้งตัวเออก็โมหันต์ของเรานก็โมหันต์ของเราเราเลื่อมใสยังไงเราก็ยอมตัวลงอย่างนั้นแล้วมันก็สุดท้ายคาถาบาลีเราแปลมันแปลไม่ได้แปลลําบากเหมือนกันไม่ได้ชอบเรื่องของขัน พุทโธอยู่ในจิตไปไหนตลอดนี่ได้หมดได้คุ้มครอหมดได้คุ้มครองคุ้คอ ง, คองเอาแขนมายก็ดีเพราะเป็นธงชาติเมืม่อเห็นอันนั้นแต่อย่าไปเมือเ่อแขนคออยู่อย่าไปดื่มสุราเมระยะข้ามหัวท่านนะบาแข น, น, น, นคขนขอแล้วก็ดื่มสุราข้ามหัวท่าน ผมคิดแบบนลวงปู่เลยไม่ไม่แขวงเลยผมคิดกบบนลวงปู่เลยผมเลยไม่มีการแขอไม่แขวงก็ดีนอนบ่อยนอนแขวนแต่ไม่แคยไม่เคยเนที่ต้องปลดออกว่อยู่ในจิตมุทโตในจิตตลอดเวลาจะไปแข้นคอดื่มเหล้าเนอะยุดแล้วหรือยังเราไม่เคยเด็มเออดีมากสาธุ มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมาเคยดื่มเหล้าเรารู้ความทุกข์เราทุกข์รู้ลเลยมันก็ไม่ยาก่ะคนหนุ่มๆอย่างนี้ไม่ไม่ดื่มเหล้าแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอันอื่นปฏิบัติง่ายๆหละอยกามีสุเมชาจาก็เว็นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ย คืออย่างนี้มันก็ไม่ดีอย่างไม่ประจบสอพอเขาที่เขาร่วมกินวงกันก็ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รับราชการมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีกว่าตามได้ดีที่ม่นเป็นธรรมมันก็ไม่อ่อนละมันไม่กีรังยังยืนหนอกได้ดีในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วกันดูแล้วเราก็รู้สึกก็สุขใจพอุมคนว่าไม่ไปมั่วในสิ่งที่ไม่ถูกเรื่องอะไร นัตถภาลาปรินายากาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าบันทิตาปรินายากาบัณทิตเท่านั้นเป็นคนหัวหน้าบัณทิตโตคละมาวาสังบันทิตเท่านั้นเป็นผู้ครองเรือนอบรมศาสด า, ศาสอนหมดใครจะไปจบสอบพอได้ดีด้วยการไปจบสอบพอตะเพียงไหนก็าตามแต่ไม่เจรังยั่งยืนหรอกไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งละ่ะ าเป็นของใหม่บริสุทธิ์เราไปตามบริสุทธิ์ยกอุทาหรณ์อีกคนหนึ่งควรจะเอามาเป็นเออย่างย่างในสมัยรัชกาลที่ห้าตลอดถึงที่หกพอถึงสมัยรัชกาลที่หกที่เก็ดท่านก็เจกกระเกษียณ น, นายหอวิจารณลงอยู่ที่จังหวัดอุดอร เป็นจ่าสารสมัยนั้นเขาให้เงินเดือนสามสิบบาทที่นี่รัฐบาลจะให้ขึ้นอีกท่านก็ยกมือใส่หัววิชากระผมขนาดนี้แล้วกระผมในเพียงนี้แล้วก็พอใจละกระผมไม่เอาอีกแล้วเขาขึ้นเงินเดือนให้ไม่เอาพอดีก็วิชากระผมกระผมก็สนุกดพออยู่แล้วในโลกนี้มีเห็นคนเดียว ในโลกของอดอรในโลกคนทางอื่นเราไม่เห็นโลกอดอรมีคนเดียวเท่านั้นวิชาของกระผมก็เพียงเท่านี้แล้วก็พอดีกับวิชากระผมแล้วเป็นจ่าสารให้ผมสามสิบบาทแต่ผมก็ทำไรทานาพออยู่พอกินอยู่แล้ให้กระผมอีกกระผมก็ไม่เอาดอกมีคนเดียวเท่านั้นเป็นจัดสื่อสุราไม่กินพอเลิกงานมาแล้วก็ บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอ ย, อยู่รอบเมืองอุดรอยู่ชานเมืองอุดรถอนกล้าช่วยลูกๆเพราะลูกทำนาดื่มสุราหมู่เขาชวนดื่มสุรากจ็จงถามทวารหนนะักของเราดูทวารถ้าทวารหนนะักของเรา ดื่มเราก็จะให้ดื่มไปถามมันดูสิแกพูดได้พูดก็เพื่อนพราะถือเป็นสหายกันไม่ดื่มใช่เลยสุราแล้วเป็นหมอโบราณหมอยาสมุนไพรคนจนแกไปรักษาหายแกก็ไม่ออกถ้าเขาไม่มีคนที่รวยเขาให้เท่าไรแกก็ออกเขาไม่ให้แกก็ไม่ออก จะไม่ตั้งราคาคนนับถือมากในชาญเมืองนะงที่นี่วิดาของเราอีกเป็นคนซัซื่อสุดจริตสมัยเราเป็นเด็กอายุสิบอายุสิบหกปีต้มเกลือเกลือสิ้นเท่า บิดาเอ๊ะเราจะลองบิดาของเราดูคุณพ่อคุณพ่อแต่เราพูดภาคอีสานไม่ได้พูดอย่างนี้คุณพ่อคุณพ่อเราจะโง่าตายทำไมแล้วก็กอบ ด, ดินทรายใส่ด้วยผสมกับเกลือของเราให้มันมีน้ำหนักลองพ่อดูลองบิดาดู เออได้ตั้งหมื่นตั้งแสนพ่อก็ไม่เอาลูกเอยเป็นทางทุจริตที่นี้เรามาเกิดเลื่อมใสวิดาของเราเออน้ำตาไหลเลยวิดาเป็นคนสัตว์ซื่อจริงๆเราทดสอบวิดาของเราได้ตั้งหมื่นตั้งแสนพ่อก็ไม่เอาลูกเออเรื่องลูกมาด้วยนำพักนำแรงไม่ได้ชอบใครไม่ได้โกงใครในตาช่าง ในตาจะเครื่องวัดเครื่องตัวไม่ได้โกงใครเลยลูกเอย๋อยที่ดินอย่าไปแย่งนะลูกเอย๋ยบาดเสียมเดียวบาดจอบเดียวก็ชิบหายสมมกขราไปเห็นเปรตท่านอธิบายให้ฟังไปเห็นเปรตอยู่ที่ภูเขาคิบชกูดเรามาถามพระบรมศาสดาว่าเปรตตัวนั้นมีกอไผ่เกิดขึ้นที่หัว พระโมกคลาเห็นคนอื่นไม่เห็นเนี่ยพระโมกคลามาถามพระบรมศากาบทูลพระบรมศาสดาเปรตที่มีก่อภัยเกิดขึ้นในหัวนั่นมันมีไหมพระบรมศาสดาเออเธอไปเห็นแล้วก็มาถามเราทําไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยิ่งชัดเข้าไปแล้วทีนี้ที่นี่ก้าวขอกราบทูลว่าเขามีบุพกรรมอะไรแต่ในชาติก่อน เขาไปแย่งที่ดินคนอื่นนีหลักของมันหลักเขตสังไว้อยูนะ่อย่างนี้แล้ว mm hmm. เขาก็ย้ายมาที่นี mm hmm. ่เขาไปรอบย้าย mm hmm. เห็นฉะนั้นก็อภัยจึงเกิดในหัวเขาเมื่อเขาพนจากนรกมาแล้วบิดาเราให้ฟังนี mm ่ห hmm. น้ำซ้ำบิดารู้จักเวลาจะตายอีกเชียด้วย mm hmm. มันพรุ่งนี้นะ่ mm hmm. อจะสิ้นลมปาน ในเวลาแสงทองแสงเงินคนนี้เองพ่อรู้ลูกวันนี้อย่ามารบกวนให้พ่ออย่าเอาหน้ามาให้พ่อดื่มเนอะพ่อจะนอนภาวนานอนตะแคงข้างขวาเลยพอถึงเวลานั้นก็ไปเลยจริงๆพ่อรู้จักแล้วธรรมดาคนแก่อธิบายฟังเมื่อเสด็จขึ้นมาเก็ไม่มีเว พวก็กมันมีกำลังขากออกมันก็มาอัดรูหลอดลมก็ต้องตายลูกเอ๋ยใครๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นผูนะ้ยังนลกฉาลาเกิดมามาเห็นมารดามาเห็นวดาดื่มเหล้าเลยไม่เห็นวดาฆ่าสัตว์เลยสุจริดมาก จมูกด่งๆถ้าจะว่าลูกกายในจำนวนคนจำนวนนี้เนี่ยอตาตมาเองลูกขเขยเองกว่าเพื่อนบิดาจมูกด่งๆเอวรัดๆสูงขาวขาาเลืองคนเวียงจั น, <c oughs> นกรน ตายแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วแม่มแมลงวันตัวเดียวก็ไม่มีอา น, นิสงสมของท่านในเมื่อท่านมีชีวิตยอยู่ในสิ่งอื่นๆก็ไม่นับแต่ข้อวัดในเกลือนี่เนี่ยเพราะท่านตรงเกลือปีหนึ่งก็ต้องถวายพระสิบสองกิโลไม่ขาด ทุกปีทุกปีทุกปีแต่ว่าอันอื่นก็ทำตามสติกำลังของชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เฉพาะเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องพิเศษนี่เม<น>ื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็ บ, บรรดานมาให้เน่ามาให้หมินนีม่มะแรงวันตัวเดียวก็ไม่มีนคนทั้งหลายขึ้นมาในบนบ้านเออออกปากหมดไม่มีกลิ่นมะแรงวันตัวเดียวก็ไม่มี อา น, นิสงส์เห็นในปัจจุบันคอานิสงส์ดีก็เห็นในปัจจุบันอานิสงส์ชั่วก็เห็นในปัจจุบันเชื่อกรรมและผลของกรรมในพระพุทธศาสนานี่ในทางดีก็เห็นในปัจจุบันในทางชั่วก็เห็นในชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติหนะ้าในทางชั่วเราเห็นตัวเราเองเลิกโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยววิทปลา สมัยนั้นมันเข้าโรงเรียนตามตามวัดต้องเลิกโรงเรียนในวันพระวันเจ็ดค่ำก็ครึ่งวันวันแปดค่ำก็หมดวันพาหมูเข้าไปวิทยปล า, ห า, าหามาหามาอืไปวิทปลาที่น้องนาเขาเนี่ยน้องนาเขาแต่ก่อนเขาไม่ห่วงคเขาวิดเอาแล้วเขาก็ไม่ห่วงไม่หวัน่นทุกวันนี้่หมูก็เดินตามเป็นแถว ขาบมาหน้าขนาดไหนก็ต้องแห้งหมดขนาดโคนขาก็ต้องแห้งขนาดาเอวก็ต้องแห้งเพราะหลายคนมาถึงภูจ ก, ก็มันมาอดน้าซ่านั่นบุปกรรมมันมาตามที่นี่ในส่วนดีที่นี่ ถ้าผ่อนทอนสบายข้าวน้ำข้าวที่ได้เคยให้ทานบ้างมันก็ยังพอได้ฉันได้นุ่งได้หอมยังไม่อดมันน้ำเลยจะหายใจโล่งก็เฉพาะปีนี่นะน้ำ <c oughs> เพราะมีเทวดามาทำให้มีเทวบุตรเทวดามาทำให้ คุณโยมอรุนีมาทำมาทำหน้าปราปาต่อมาจากสี่กิโลมาถึงนี่ไกลเงินเงินหลายแสนอยู่ก็คงนับเป็นล้านเหมือนกันอันนั่นบ้างอันนี้บ้างนับทั้งเหล่านี้เขาตั้งเนล่านี้เขาเป็นล้าน นับทั้งไฟฟ้าเขาทั้งคันทางเขาไฟฟ้าด้วยคันทางด้วยคันทางที่ทำอยู่อยู่อยู่เนี้ยเนี่ยก็ของท่านอแต่ก็พระทําไว้บ้างแล้วฟงงูปลาครับแต่ขึ้นไม่ใสะดวกถ้ามาทําอีกเรื่องก้อนหินก็เป็นของท่านหมดนั่นคนงานก็วันหนึ่งวันละห้าสิบบาทนี่สองสามเดือนเนี้ยจะกับคนงานมานี่นั่นนะห้าสิบาทวันละห้สิบาทเรื่องอาหารอีกพรอบอม สองครั้งเช้าเย็นยังอาหารก็ตามได้ตามมีที่เสดพระนั่นเองอเรื่องที่ชั่วก็เห็นกับชาติเรื่องที่ดีก็เห็นกับชาติเราไม่ต้องกล่าวชาติอื่นเลยชาติปัจจุบันมันก็เห็นแล้ว ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็ผู้ที่ตายแล้วเกิดนั่นเองมาถามกันอยู่นั่น <c oughs> ถ้าศูนย์ไปแล้วจะเอาอะไรมาถามกัน <c oughs> บางคนยืนยันว่าตายแล้วศูนย์ <c oughs> ใครเป็นผู้รู้จักศูนย์ <c oughs> ก็ผู้มันไม่ตายมันรู้จักศูนย์ถ้าศูนย์ไปแล้วมันจะรู้ทำไม มันก็คาซ่าเดี๋ยวนี้คุณชูคงวิศวกรรมรา่ชางปลรถจักรดีเซนที่นี้เขากาวตู้ล้อปูมั่น ว่ามีวิญญาณมาไต่ถามมาสังสรรค์วิญญาณมันมีจริงหรือเขาว่าอย่างนี้ท่านอาจารย์จะตอบอยังไงถ้าให้อาตมาตอบก็ตอบเดียดนี้แหละผู้ถามหาวิญญาณก็เอามาโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบ ตมาก็าจะตอบอย่างนี้พูดถามก็เอามาโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบีน้พูดถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบถ้าจะจัดว่าฉลาดก็ฉลาดทั้งคู่ถ้าจะจัดว่างโง่ก็งโง่ทั้งคู่ <laughs> หายนอนแน่หยือยังตายเด็กเปิดป้าป้่ป้ตี่นสายทำของสวายูอืุณโทรแต่มั่างโพน้อลูกมังปีเด enfin ้อเนี่ยใช่จะค่ะฮะใช่ค่ะมีกี่คนมีสี่คนค่ะเออหญสองชายสองงสองชายสอง ขาพิการตกรดหรือรถมอเตอร์ไซค์ชนค่ะเออไะข้ามถนนมาขึ้นรถอีกฝั่งล้วไปชนเขาหรือเขามาชนเราก็บอกไม่ถูกนั่นไงสายคอนสายชนเราเราก็ต้องชนแกเลยลงไปพร้อมๆกัน ลูกหลานู่ทางอุดรก็เมือนกัน<อ>คนหนึ่งก็กระดูกซี่โครงออกดี๋แต่ก็หายเลยมีคุณมหันมีโทษอนันในโลกนี้นนแลว้วเท่าไรา ย, ยิ่งนั่นเท่านั้นยิ่ง เดี๋ยวค่นีเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้นะครับไปไปก็ไปไปก็ไปกเดี๋ยวแะก็คุยด้ยคุยได้เลยกลางคุยได้เลยกลาคุยวัดก่ทุ่มก็บางทีก็ลับ5้าทุ่มบางทีก็ลับหกทุ่มอบางทีก็ลับตีหนึ่งมันเอาเป็นประมาณไม่ได้ แกมาแล้วเอาเป็นประมาณไม่ได้ที่บนหลวงพี่จำไม่เจอหลวงปู่ครับผมอยากคุยไปเรื่องกูเลยอะคือครั้งนี้ก็ผมสงสัยอย่างในกรุงเทพเนี่ยครั้นี้เกิดมีพระนิ่ถายเป็นแบบสันติอสงฆ์ฮะที่จริงๆแล้วผมอยากจะกราบเรียนหลวงปู่ว่า ถืว่าทรรมดุนิกายกับมหานิกายมันเริ่มเป็นมาอย่างไงแล้วทําไมต่อมาจึงมีเสด็นสันติอโศกนิกายขึ้นมาซึ่งเหมือนพระที่ไม่โกนคิ้วอยู่อยู่สองนั่นที่ผมก็าองก็สงสัยเรืองอันนี้ที่ไม่โกนคิ้วนะครับก็ก็มีอยู่ทุกวันนี่มีครับเป็นเสด็จอโศกนิกายบังขึ้นมาใหม่พยายามพูดอีกแลักแยกคร๋อนั่ พยายามแยกตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามลัทธิของตนบ้างลัทธิของผู้มองเห็นไม่เสมอกันบ้างที่เมื่อกล่าวในเรื่องนี้พระองวิว า, าทิกร วิวาชาทาิกรเกิดขึ้นนะครับพุทธการก็เกิดซึ่งหน้าพระบรมศา ส, สดาข้าภิกษุแตกกันในเมืองโกสัมพีเมื่อพระบรมศา ส, สดายังมีอยู่ก็สามารถแตกกันในเมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนั้นมีภพระเป็นจํานวนข้างละห้ารอยองค์หวัวหน้าองค์หนึ่งเป็นธรรมกะถึกหวัวหน้าองค์หนึ่งเป็นพระวินัยทอน หนักในทางพระวานายัยองค์หนึ่งหนักในทางธรรมเทศนาเกิดทะเลาะวิวาดกันขึ้นพระธรรมก็ถือขึ้นไปซ่วมไปห้องถ่ายไปถ่ายแล้วน้ำด้กระบอกมันยังเหลืออยู่พระวว น, นัยทรไปเห็นการทำเช่นนี้ oh. ต้องเอาบัตรถุกกพระวว น, นัยทรเพราะไม่ใช่ ห้องน้ำส่วนตัวของสาธสารณะของสงฆ์ถ้าเป็นของส่วนตัวก็ยกเว้นน้ำเหลือชำระนันทำไมถึงมาเทออกจากกระบอกเอาไว้ทำไมทําดังนี้ก็ต้องเป็นอาบัติทุกกฎที่นี่พวกสาธารสิทธิ์ของท่านทั้งสองโต้กันนี่ก็พรอมอาจารย์ของใครของมัน ก็เกิดทะลาะเบาแวงกันขึ้นไม่ยอมถ้าทําก็ถึกกล่าว่าไม่เป็นอาบัติพระวินัยทอนว่าเป็นอาบัตินี่เกิดขึ้นพระบรมศาสดาก็ไม่ตัดสินฉนจึงไม่ตัดสินเพราะเห็นว่าถ้าตัดสินให้ทางใดทางหนึ่งคณะอาธิกรจะ ก, กํารลุ พราะมีทางละห้าร้อยแล้วและก็เป็นอาบัตเล็กน้อยเป็นอาบัตเพียงทุกกฎถ้าเป็นอาบัตมากพ่อวรมรัสสัตนาก็จะตัดสินเพงเลย<ะ>ปล่อยให้เขาเขาห่างจะกแค้นโทษเขาห่างจากไกลเกลียกันเองดอกพ่อวรมรัสสัตนามองเห็นแล้วมองเห็นตินนาวตถาละกาวินัยแล้วความผิดปณะนีประนมบนท่องท้องสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิม เรียกตินน า, าวัฒนากาลินัยที่เรียกว่าไก่เกลียนีท่ทีนี้พระบรมศาสดาก็ไปหาอุบายบอกว่าผู้ที่เขาล่วงละเมิดเขาเป็นคนชนิดไหนผู้ที่เขาเหลือหน้าไว้ในกระบอกนั่นเขาเป็นคนชนิดไหนเขาเคยเป็นคนล่วงศื้อ้าบทมาหรือทำไมผู้โจษ ทังไม่พี่เจร น, นาบ้าที่นี่ท่านก็พูดอีกพูดที่เขาโจรเขาเป็นคนชอบท่อยทอดชอบความหรอกหรือเราทําไมถึงไม่พี่เจร น, นาเราเป็นจําเลยท่านก็พูดอสองสองสองทางอีกเนยก็มายอมกันยอมกันท่านก็เลยหนีพระบรมศาสนาดานี้หนีไปอยู่ป่าอะไรอะไร อยู่มาอยู่มาชาวบ้านของเขานะ่ะเห็นว่าเอ๊ะพวกนี้ทิฐิมานะ่มากทําให้พระบรมศาสดานี้จากพวกนี้ชาวบ้านเขารู้จักเลยนี่พวกเราไม่ใส่บาตรให้ให้ให้ฉันล่ะเขาก็ไม่พอใจจะใส่บาตรให้ฉันจําพวกนี้แต่พระบรมศาสดาไปองค์เดียวให้พระอานน์อยู่เป็นทูตอยู่คอยดูแล้วจะไปองค์เดียวอานน์ก็ไม่ห้ไปด้วยไปป่าลฤกษิตวัน ยัวิวาทาจิกรวิวาเมื่อวิวาธาจิกรเกิดขึ้นที่นี่เอาไปเอามาเมื่อพอ ร, ร, ร, ร, ระบรมศาตราไปอยู่ป่าลัยแล้วพวกนี้ก็เห็นโทษเลยมายอมกันไม่เอาผิดกันผมก็เกินไปเวลาผมโจทย์พวกท่านก็ไม่มีมารยาโจทย์แล้วไม่ได้ขอโอกาสด้วยผมก็ผิดเหมือนกัน ทีพวกนี้เออผมก็ผิดเหมือนกันเมื่อพวกท่านโสดว่าผมเป็นอาบัติทุกกฎผมแสดงอาบัตทุกกฎไปแล้วก็แล้วกันไปพวกเรามีโทษมากมีทิฏฐิมานะมากพวกเราทําให้พระบรมศาสดานี้ไปเขาไม่ยอมใส่บาปให้พวกเราด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราสามัคคีกันเสียดีกว่าก็เลยสามัคคีกันเลยต่างเลยต่างฝ่ายต่างก็ยกโทษกันและต่างแบ่งความผิดของกัน และก็ตา่างไม่แบ่งความผิดของกันอีกเ <uren ce. S 1> พราะปันกันแล้วเพราะแบ่งกันแล้วแบ่งความถูกก็แบ่งทั้งสองทางแล้วแบ่งความผิดก็แบ่งทั้งสองทางแล้วถ้าจะว่าทางผิดก็แบ่งสองทางแล้วถ้าจะว่าทางถูกก็แบ่งทั้งสองทางอะไรกันแล้วนี่ก็เรียก ว, ว่าระงับกันด้วยตินนาวัฒนารามีนายที่นี่ฝ่ายพระบรมศาสดาพอไปถึงป่าเลไล พขพบช่างตัวหนึ่งช่างตัวนั้นก็นี้จากหมู่ช่างมาในวันนั้นเองมาพบพระบรมศาสดาช่างตัวนั้นเป็นนิสัยพะพเจกเราอยู่กับหมูช่างเวลาเราลงจะไปลงไปกินน้ําช่างน้อยก็ไปกวนน้ําให้ขุนหมดเราเอื้อ ม, มือเอาใบ ไ, ไม้เอาไวไ้ไร่ ช่างน้อยทั้งผงก็ช่วยเอาไปกินหมดเวลาเดินไปก็เสียดสีเหยียบเล็บเราไปสารพัดวิ่งอวนหน้าอวนหลังผ่านหน้าผ่านหลังฉากหน้าฉากหลังป่าประมิตรเราไม่อยู่ด้วยไม่ไม่มีแต่ไม่มีสูงเราจะหนีก็เลยหนีก็เลยไปพกพระบรมศาสดาก็เลยปฏิบัติพระบรมศาสดาอยู่สร้างตัวนั้น นิสัยช่างเกี่ยวนั้นตัวนั้นจะเป็นพระปฏิเจกเรื่องนี้มันยาวมากไม่ต้องเล่าทีอธิกรณ์จะเกิดขึ้นเรียวิวาธาธิกรณ์วิวาธาธิกรณ์จะเกิดขึ้นมีอยู่หลายแง่คู่หนึ่งเถียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนี่เป็นคู่นึงสิ่งนี้เป็นวินัยสิ่งนี้ไม่เป็นวินัยนี่นี่อีกคู่หนึ่งสิ่งนี้พระธรรคตเจ้าทรงบัญญัตะไรสิ่งนี้พระธรามโคตเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้ สิ่งนี้พระธรรมขเจ้าทรงประพฤติมาสิ่งนี้พระธราคขเจ้าไม่ทรงประพฤติมาเป็นคู่คู่อัธารระเพศกาลวัตถุตามมาลีมี่สิบแปดอย่างแจกะไว้เก้าคู่สิ่งนี้เป็นอาวัตเบานะสิ่งนี้เป็นอาวัตหนักเถียงกันอย่างนััน้นครบสิ่งนี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือสิ่งนี้เป็นอาวัตไม่มีส่วนเหลือนะสิ่งนี้เป็นอาวัตหยาบคายสิ่งนี้ไม่เป็นอาวัตหยาบคายนะอืมเถียงกันไปอย่างนี้อธิกรนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่รีดแลองัดเสีย จะทําให้เป็นนานาสังวาด น, นานานิกายในพระวนัยนมีอยู่อย่างนั้นอนวุวาธิกรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้วิวาธาธิกรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้อนุวาธาธิกรเกิดขึ้นอนุวาธาธิกรคือโจทย์กันด้วยอาบัติ น, นั้นก็เป็นเหตุให้อาปัตาธิกรเกิดขึ้นอาปัตาธิกรคือการปรับอาบัติกัน ก็เป็นเหตุท้ยนี้ก็เหตุเกิดขึ้นพราถูกข่มกันเรื่องที่ไหมโกนคิ้วที่นี่ครับมันเป็นเรื่องของนิกายที่แทรกมาต่างหากเช่นิกายฝ่ายปฏิบัติขอกมีหลายนิกายอยู่ในตัวแต่ลงอุโบสถทางกรรมกันได้าไม่รังเกียจจนถึงไม่ลงอุโบสถทังกรรม ที่นี่คุณลองมึกดูว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเรามีสองนิกายนิกายใหญ่ส่วนนิกายย่อยๆอีกมันแตกไปอีกนะครับครับถูกไหมถูกครับอ่านิกายใหญ่ใญ่มีสองนิกายคือธรรมยุทธ์ถึงมหานิกายธรรมยุทธก็แตกออกเป็นหลายนิกายอ่าธรรมยุทธฝ่ายนักเรียนก็แตกออกเป็นนิกายหนึ่งแต่มันเป็นอยู่ในในแต่ไม่ได้เอาออกมาพูด นิกายฝ่ายนักเรียนมันก็แตกออกอีกพวกหนึ่งก็ไปเรียนหนังสือพอได้เป็นนักธรรมธีโธเอกหรือไปเรียนแล้วก็ออกประคองโลกนี่เป็นนิกายหนึ่งครับผมกําลังจะถามนัเรียนถามลุมปู่ฮะลุมปูมีความคิดยังไงในกรณีที่คณะดนี้ฮะอย่างมกุฎมหาวิราชวิไลอะไรกเนี่ยที่ผลิตนักศึกษาพระออกมาแต่ที่คราวนี้ยยังผมก็เริ่มมองพระว่าไอ้พระนี่เข้ามาเพื่อ เพื่อมาศึกษาด้านนี้แล้วออกไปในทางโลกจะผิดหรือผูกจะจะตรงตามความมุ่งหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ไม่ไมมมมความมุ่งหมายของพระบรมศาสดานั้นให้รุดพ้นการบวชมาก็หวังเพื่อรุดพลล้นในวัตาะสงสารเท่านั้นถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์มีมีมีอันเดียเท่านั้น ทีนี้ผมก็ดูเหมือนกันว่าเอ้ะพวกเนี่ยแค้ว่อ า, าอาศัยผ้าเหลืองเพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็พลิกตัวออก <c ười> คือม า, อาสายช่วครั้งชั่วคาวเพื่อได้ดีเกียอะไรแล้วก็ขอหลุดพ้นจากผ้าเหลืองไฟอะไรส่วนมากเลยที่พวกมองมาอาสึกกันปฏิบัติธรรมวินัยนะลูกฟูนะรับ ท, ที่ผมเห็นเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยจะผิดในทางในทางสายเนี่ยสายทางที่เป็นพระนักศึกษาเนี่ยจะผิดพระทับไม่ไนานนะส่วนมากนะครับเดินไปกับมาตุกคามก็มีนะครับในที่ไม่เฉยแล้วหูล้วตาในที่ลงแจง้งซึ่งอนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งผมก็ข อ, ขอการาบเรียนหลวงปู่ว่าเพราะว่ากึ่งพุทธกาลหร้ว่ครัน้นี้มันสองพันห้าร้อปีเนี่ยพวกาศาสนาพุทธเนี่ยจะเลียวปลายจริงนะครับ ก็จริงอยู่กับฝ่ายปฏิบัติแต่ว่าพุทธศาสนามนไม่ได้เดียวไปไหนหความจริงของพุทธศาสนาคงที่ครับมันจริงอยู่กับผู้ปฏิบัติ<ป>ตหยอห่อนเป็นยุคของผู้ปฏิบัติหย่อน ม, มีปัญหาว่าว่าระวัติผู้ศึกษาสมัยทุคภาษีอ่านเนี่ยมันมันเป็นยังไงอยู่ทหลวงปู่ผมว่าคือบอกว่า ศาสนาของพระสีพระสีอารยากับพระสมบัติมุสลิมเจ้าแยกกันมาเกิดก่อนใช่ไหมครับไม่โดยที่มีการชิงดอกบัวชิงอะไรกันกันแล้วพระพุพทธเจ้าใช้เล่หเหลี่ยมกับคุขอประธานไปนะครับเพื่อ ก, การม า, มาประกาศศาสนาก่อนหลวงปู่ว่ามันเท็จจริงยังไงมันเท็จอันนี้เรื่องกาวตู่พระสมัยจักพรรดิเจ้าอครับถ้ารักอาบุญได้อัตมา ก, ก็ไม่ต้องบวชนย่งหลวงปู่เขไม่ต้องบวชไปเที่ยวลักเอาของเขาเลย ถ้า <ham> บุญบาทรักเอาของกันได้ก็ธรรมเนียมของปัญญาธิกะก็ัดสรุปได้เร็วก็จะสาธของเราพระศิยเมีตายนันวิทยาธิกะก็จำเป็นก็สร้างบารมีนานแปดสิบประสงค์ไขแต่ทำมีความหมายอันเดียวกันพิจิกันแต่สร้างมารมีน้อยหรือมาก ธรรมเนียมของปัญญาทิกะก็ต้องมีอายุสัน้นต้องมาศาสนาน้อยแล้วก็ต้องสัตสรู้ได้เร็วที่หปู่การปฏิบัติกรรมฐานจนถึงขั้นบรรลุนะครับกับหลวงปู่มีทางสังเกตยังไงไหมครับว่ า, วาพระองค์ไหนที่สําเร็จอรหันต์หือสำเร็จโสดาบันโดยการทางทำวิธีปฏิบัติกรรมฐานอี่ไงเป็บันนี่ครับคือผมมีมีความเชื่ออยู่แล้วท่านหลวงปู่คนระับ คือถ้าเราได้ไปกราบพระอรหันต์ยังไนเท่ากับว่าเราได้กราบองค์พระธรรมจกักรแต่ครั้นี้ผมครผมเจอพระสมฆ์ผมได้แต่ไม่อยากไหว้ที่ผมก็มาหาหลวงปู่เลยผมก็อยากจะจ ะ, จะเรียนถามว่าหลวงปู่มีทางมองอย่างไงไหมนะ ว, ว่าที่จะบอกผมได้นะว่าที่สุสสงฆ์องค์นี้นะอาจะกราบไหว้บูชาอย่างไีครับ มันก็เรื่องปฏิปทาของท่านสอนแสดงให้เห็นอยู่น ล, ล้วพระเลขพระผาพระนาำเวท น, นำมนหลวงเพื่อเอาสตาพระทำ น, นายถ่ายทะลายงนายเท้าพระจะแหวงหาเงินแหวงหาราบ ในทางที่ไม่ชอบมันก็สอแสดงให้เห็นอยู่แล้วแล้วจะถามแล้วก็ถามมันก็ตอบใครจะตอบให้เรามันก็ตอบไม่ถูกหรอกก็พอเห็นก็พอืมนทีนี้ก็ลวงปู่บอกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะจะเข้าพรรสาแล้วก็ต้องมีการออกพรรษาพอเข้าป่าตอกกระถิ่นหลวงปู่การเลี <ph im sh one> ่ยนลายต่างๆนี่มันเป็น มันมันมันอยู่ในในข้ออะไรของสงฆ์ไหมครับว่ามีความจําเป็นคือถ้าเราไม่มีเงินเราไม่น่าจะสร้างหลวปู่เป็นความคิดจริงไหมครับการนีรกร้การนี้อะไรก่อสร้างหรือครับบางทีคือหลวงปู่ก็แบบว่าคั้นี้นะถ้ามองวัดในศาสนาพุทธเนี่ยสร้างกันเลือเกินครับ <c oughs> ต่างคนต่างพอเป็นอาจารย์<ง>ขึ้นมาได้จะส้าดูนะครับว่าสร้างวัดจะสร้างโรงเรียนอันไหนที่จะได้ศรัทธามากกว่า <c oughs> โรงเรียนโรงเรียนนับธรรมโรงเรียนที่สอนเด็กเรียนสอนเด็กเล็กเด็กที่ขาดที่เราจะประชาชนบ้านเราจะไม่รู้นักสื่ออะไรอ่างนี้ครัมันก็สู้สร้างวัดครับสู้สร้างวัดไม่ได้แล้วแหลมก็สู้สร้างวัดสู้สู้สร้างอะไรคุณศาสนาไม่ได้ครับอกุศลก็ไปคนละทางอีกกุศลไปคนละทางไปคนละทางเพราะทางนั้นเป็นโลกรับน้างนึงเป็นโลคุตระ ที่ผมฟังหลวงปู่เทศต์มาตะคุนี่ครับว่าถ้าเราศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไม่ให้นับถือศาสดาของศาสนาอื่นถูกแล้วนะครับแล้วทีนี้ว่าคือคขณะนี้ผมผมรู้ศาสนาพุทธแต่งกันเดียวกันผมเข้าไปฟังคำบรรยายของของคริสต์ศาสดาอรต่างเนี่ที่ผมต้องการมาเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยเท่ากับเท่ากับว่านี่ถ้าผมไม่มีโอกาส ไ, ไม่มีโอกาสนิพพานตามคําเทศของหลวงปู่ไหมครับคือแปลว่าขณะนี้นะครับผมก็ แล้ว เ, เข้าไปศึกษาคร<ะ>ิบลักษณะว่าผมก็เข้าคลิเทียนะนะครับคล่ปเป็นคําสอนในใจผมไม่เป็นศาสนาพุทธนับถึงองศาสดาของศาสาพุทธแต่ในขณรเดียกันผมก็เริ่มจะศึกษาองเยซูเนี่ยทั้งนี้เทา่ทาเท่ากับผมไปอนับถือศา ส, สนาของศาสนาอื่นหรือเปล่าถ้าหากว่าจิตของคุณโอนเอียงเชื่อเลื่อมใสมันก็ถือ ถ้าหากว่าไอคิดของคุณนั่นไปลองดูว่ามันจะไปแค่ไหนลูกไหมของมันชคดูเสียก่อนมันก็เป็นแบบหนึ่งถ้าไม่โชคดูก็ไม่รู้จะ ก, ก็ไหมมวยเข้าไปแบบไหนออืถ้าคุณไปลองอยู่ดูขนาดนั่นก็ยังว่าอัญชันตุเทศถือศาสตราอื่นไม่ได้เรายังไม่ได้นับถือเรายังไม่ได้นับถือเรียนได้เข้าไปศึกษาไม่ไปเข้าไปศึกษาเฉยอ ซึ่งที่ผมเคยเถียงกับเพื่อนผมคงผิดหนึ่งปูผมว่าค<ช>ือศาสนาพุทธเนี่ยเปิดประตูกว้างสาหรับพุทธมรรคกือศาสนากษชนเนี่ยคือจับไปนัคือศ า, าสนาก็ได้ น, นคะครับเดียวกันคือผมมีเพื่อนเป็นอิสลามเขาบอกเขาจะยกมือไหว้พระสงฆ์ไม่ได้ใช่ไหมครับที่ผมผมก็ถามไอ้ทําไมจึงยกมือไหว้พระสงฆ์ไม่ได้เขาบอกว่าศาสนาเขาไม่ให้ยกมือไหว้คนต่างศาสนาแต่เนี่ยเดียวกันถ้เกิดผมเจอแบบ อิห ม, มั่มอะไรเขาเลยครับผมยกมือไหว้ผมก็บอกว่างั้นาศาสนาพูดจะเปิดประตูกว้างแต่ทําไมาศาสนาอื่นเขา <Okay. S 1> เขาแคบเขา mm hmm. ยายามปิดประตูลออกก้อมกอบของเขาเอาไว้ปูชโกและพระเตปูชังผู้ว่า ย, ย่อมได้ว่าตอบไปไหนคุณลุงไปนั่นดอกออื uh huh. ไปไหนคุณป้าไปนั่นดอกอ uh huh. สวัสดีหรือสวัสดีเขายมอมไหว้ก็ต้องไหว้ แต่เราไม่ถือว่าเป็นสาธาระเป็นแก่นสารเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก่นสารอันนั้นเป็นเรื่องสังสรรคกันต่างหากเป็นสมาคมเรื่องบริสัทโยตาประชุมชนต่างหากอะไรเราไม่ถือเราไม่ถือเราทําให้ถูกการเทศะเฉ ย, ยแต่ว่าจิตใจของเรายังมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืมันก็ไม่เป็นปัญหาอรั ผมวกเครามาทีนี้ทีนี้ว่าการบรเพ็ชชาแบบอุกาสามายังพันเตกับเอสาหังพันเตเนี่ยมีความแตกตา่างอะไรไงก็ไม่แปลกมีอันเดียวกันไม่แปลกหรอกเอสาหังพันเตก็ไม่แปลกอุกาสวรรดาก็ไม่แปลกแต่ว่ามันเป็นพระวินัยอันเดียวกันข้อห้ามอันเดียวกันท่านนั้นส่วนคําขอสมาทานบวช น, นไม่แปลกหรอก มหานิกายก็มไม่แปลกแล้วปู่ถูกแล้วถูกขเขาไปโต้อยู่ที่ภูกเก็ตตเรานั่งนั่งพักอยู่ที่ราวัยริมมหาสมุทรอินเดียเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอ่าตาอากาศอยู่ภาวนาอยู่ตามภาษาก็มีพระมหานิกายมารอบท่านอาจารท่านอาจารย์ มหานิกายก็ทำยุทธอันไหนมันดีนายดำกับนายแดงใครดีถ้านายดำทำดีนายดำก็ดีถ้านายแดงทำดีนายแดงก็ดีถ้านายดำทำชั่วนายดำก็ชั่วถ้านายแดงทำชั่วนายแดงก็ชั่วธรรมยุตธมหานิกายพระบรมศาสดามันได้ใส่ชื่อ ใส่ชื่อว่าสุปฏิปโ น, นอุชุยายะสามีทานน เ, เมท่านั้นนี่น้อสาวกของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเท่านั้นท่านมายืนยันว่ามหานิกายเป็นธรรมยุทธเป็นเป็นสาวกของท่านท่านก็มายืนยันว่าธรรมยุทธเป็นสาวกของท่านนี้เป็สูตรถืออย่างนี้ถือผู้มีกิเลสน้อยเป็นสาวกของท่านสุปฏิปโ น, นอุชุญายะสามีเท่านั้นครับ ถ้าไม่ได้ยืนยันว่านิกายนั่นนิกายนี่เป็นเสาของเราตัวอย่างนี้ผมก็หมดปัญหากลับกลับทุกคนนะกับที่ทฤษฎีแต่ว่าศา ส, สนาพทุทธนะฮะทุกคนอยากจะทางบ้านนอกคันนี้จะเจริญรุ่งเรืองแต่ทั้งในเมืองกรงเนะี่ยผมว่ามันจะเจริญทางวัตถุนั้นศีลธรรมมันก็จะเสื่อมลง ที่ผมก็ยังสงสัยว่าคนระดับแบบพันเอกกับมหาจำลองเลยครับที่เราไปคลั่งไคล้กับกับสันติสันติอสโศกนะครับผม <S <S ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่นั้นสันติอสโศกเนี่ยเขา ม, มีมีนายุบายมีอะไรยังไงและทีนี้ว่ามีเพื่อนผมคนหนึงครับผมผมอยาหาโอกาบไปคุยกับสันติอสโศกที่ตอนนี้เขตั้งสํนานักอยู่ของกองตันแต่มีเพื่อนผมไปมาแล้ว ถามบนตรงๆเลยว่าทําไมถึงไม่โกนคิ้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกพระพุทธเจ้าไม่โกนคิ้วจริงหรือป่าโกนพระพุทธเจ้าโกนคิ้วโกนโกนหนวดโกนคิ้วะหนวดก็โกนคิ้วก็โกนเนี่ยฉะนั้นพระวเนยจึงว่าจึงห้ามมาให้ไหวหนวดเป็นเคราให้โกนเสียหรือถอนเสียด้วยเนี่ยคนในรูจมูก ก็ให้ถอนที่มันโผล่ออกมาที่มันอยู่ในจมูกมาให้ถอน <c oughs> เรื่องตัดเล็บก็ให้ตัดเสมอเนื้ออย่าไปเหลือไว้การตัดเล็บและแคะมูนเล็บเป็นขิดของพา้ินยัยการโกนผลปรุงหดนดโกนคิ้วปเห ม, มืันกันเพื่อจะให้ต่างจากฆราวาดบ้าง การโกนผมทีนี้แต่ก่อนก็ชิพวาวันโกนแต่ทุกวันนี้เดือนละครั้งมันก็มีหลักอยู่ว่าพระมีนายมีอยู่พระมีรายนั้นห้ามมาให้ไห้ผมเกินสองนิ้วเกินสองข้อมือสองข้อมือ มไม่ให้เกินสองข้อมือและไม่ให้เกินสองเดือนและไม่ให้เกินสองเดือนถ้าเกินสองเดือนไม่ให้เกินถ้าหากว่าเดือนเดียวยาวเกินสองข้อมือก็ให้โกนซักเหตุฉะนั้นจึงมีการโกนผมเดือนละครั้งเพราะไม่เกินสององค์คุณี สองข้อคูรีข้อมือนี่ขอ้อนี้วมือนี่ที่เรื่องโกนเขี้ยวพรมีนายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าความเห็นนมันแปลต่างกันบางท่านบอกว่าบางท่านก็เถียงเรื่องเงินเรื่องคําเรื่องเงินเรื่องทองครับห้ามมาให้จับห้ามไม่ให้ถือเอง ยินดีได้ทองอะไรงเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนได้มาตรงนิส ก, กีอภิจิตีครับนี่ก็โต้เถียงเกี่ยงเงินกันบอกว่าเอาไว้กับคนอื่นแล้วก็ยินดีอยู่ม่นก็เป็นแต่พระมหาสมรเจ้าท่านเทศมีเหตุผลให้ยินดีในในตัวเสนาสนะให้ยินดีในปัจจัยสี่มาให้ยินดีในตัวเงินฝูง ทีีของอนามาตที่ไม่ควรจับมีอยู่เงินทองเครื่องแต่งตัวผู้หญิงเครื่องลักทัตว์น้ำทรัดยบกใครไปจับเปนบ็นอาวุธทุกขก์ปืนก็ดีธนูก็ดีดาบก็ดีอันนี้ห้ามครับถ้าเขาลืมอยู่ในวัดต้องเก็บมาให้เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์ปืานก็พูดอย่างนั้นเขาจะาภิกษุไม่เก็บไว้ เขาก็จะหาว่าผิกส่วนเราเอาของเขาอยออครับแล้วก็เคยเห็นเนี่ยพระพุกปืนในย่ากนี่จะเผ็ดขนาดอะไรมันขาดจากสองแม่ไม่ขาดแค่ทุกกฎทุกกดเป็นทุกกฎถ้าไปยิงเขาให้ตายเป็นอาบัติปลายชีวิดครับถ้าเขาไม่ตายเป็นถุนละใจถ้าเขาไม่ตายเป็นถุนละใจแต่ว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นจิตใจของเขาโอนไปทางไหน เขารักพระพุทธศาสนาจริงหรือหรือเขาจะทําให้คนอื่นรังเกียจพระพุทธศาสนามันก็มีหลายนโยบายทุกวันนี้ <c oughs> ครับอืบทีนี้นี่ก็คือเข้าท้านะครับผมผมขอกราบเรียนหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยแนะนําการวิธีทํากรรมาฐานเบื้องต้นเลยครับคือตอนนี้ผมคือจิตใจเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะคุมจิตใจตัวเองได้ ให้ใจสงบได้ปู่มีอะไรที่จะแนะนำาชอันนี้ครับเดี๋ยวจะย้อนถามเสียก่อนนิ่สายของคุณนั่นหนักไปในทางไหนหนักไปในทางกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิงห ง, ห ง, หงหิงสาววิตกโกรธง่ายไหมพอเห็นถ้าหากว่าคุณมันพวกโกรธง่ายมีโกรธเป็นหัวหน้าก็จเจริญเมตตา ถ้ า, าก <masterpiece. S 1> ว่าคุณพอรักสวยรักง า, ามรักผู้หญิงหนักในหัวใจอยู่คุณก็ต้องพิจารณาอสุภะครับครับถ้าหากว่าคุณนั่นฟังอะไรไม่ค่อยเข้าใจฟ <Course. S 1> ิดฟิดฟังฟังพักพักจลืมหลงหลงคุณก็ต้องเจริญอานาปณ <Course. S 1> สติรวมให้เกิเขา แทีนี้กรรมวิีกรรมวิธีในการทำมัน ค, คือผมอ่านในหนังสือแล้วผมก็ไม่เข้าใจตลอดยุดหน้อพองน้ออะไรนยครับมันมันเป็นยังไงทำไมจึงต้องกล่าวคำนี้ึ้นมาพวกที่กล่าวคำนี้นะั้นบริกรรมเพื่อให้เกิดอยู่แต่ว่าถูกไหมล่ะก็ถูกในชั้นที่บริกรรมนั้นแต่สามารถจะภาวนาวิปัสสนาได้หรือไม่ ว่าบริกรรมอย่างนั้นก็สามารถภาวนาวิปัสสนาปัญญาได้เหมือนกันถ้าความิกถูกยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยหมายความว่าหายแก่ออกแค่ไหมพองหนอหมายความว่าหายแกเข้าถ้าจิตรวมลงแล้วเป็นอุปจารสมาธิทีนี้จะเดินวิปัสสนาควบก็ได้ถ้าการพิจารณาอย่างนั้นจะเดินปัญญาควบก็ได้ เราเห็นการยุบหนอพองหนอนั่นมันเป็นของไม่เที่ยงคำว่ายุบหนอพองหนอก็เป็นคำที่เกิดขึ้นเปรีวนระดับเป็นคำคำไปแล้วก็น้อมลงสู่ในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็เป็นปนิพพานได้เหมือนกันเพราะในข้างพุทธการบางองค์ก็ลูกผ้าอย่างนี้ แโชเอนางและชังหาลติแลโชเอนางและชังหาลติมันกดจักรนาเป็นบริกรรมแต่กายเป็นปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพินธานสีไปแล้วเพราะสติปัญญาไม่เหมือนกันยานสัมพยุทธ์ที่มีปัญญาพร่อมกันมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวิชานัธรรมเอกสมัยหลวงปู่เลียนนักธรรมเอกอยู่นั้น ผู้ปฏิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั้น<อ>จะชื่อว่าเป็นสมถะหรือเป็นนิพพัสนาถ้าจะตอบให้ถูกในสนามหลวงก็บอกว่าเป็นสมถะถ้าสมัยทุกวันนี้หลวงปู่จะไม่ตอบอย่างนั้นีน้ <wert, S 1> ผู้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั้นเป็นนิปัสนาจะว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกจะว่าเขาเป็นนิพพัสนาก็ไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับยานสัมบัต์ของผู้นั้นถ้าหากว่าผู้นั้นมียานสัมบัติเวลาบาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เห็นความเกิดความดับทั้งความบริกรรมของตนด้วยน้อมลงมาใส่ใจของตนด้วยผู้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นี่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกๆขณะของวายจาเป็นรอบๆของของความนึกของคิดเป็นรอบแล้วพวงลงสู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นตัวอนิจจังอันละเอียดในนามขันนี้ แจะว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกก็ต้องว่าเป็นนิพพานาถ้าให้หลวงปู่ตอบก็ต้องตอบอย่างนี้ทุกวั น, นครับขาได้มาปฏิบัติครั บ, รบเขาจะเข้าใจนิดหน่อยหลวงปู่ครับเข้าใจไหมครับที่หลวงปู่มาอธิบายไม่พอเข้าใจก็ดีขึ้นเลยครับหลวงปู<อ>่ทุกวันนี่ไม่ได้ลําบากหายใจเขาข้างเดียวอยากจะเห็นรอบโลกก็ได้ อย่งนี้นำได้แล้วกันนำได้นะฮะนะอย่างผมนั่งแล้วก็เข้าแ ล, ล้วหลวงปู่ใช้นั่นนำได้นะฮะหลวงปู่ก็ทําเพื่อคล้ายๆว่านําให้พบให้เห็นอะไรให้รู้อย่างเนี้ยผมก็นั่งจเจ ร, ราาิญภาวนาหลวงปู่ก็นั่งแล้วสามารถที่จะนําให้พบให้เหมือนย่งกระชายภาพยนต์ให้ผมดูอย่างสมมติเลครับคือครัค้ น, นี้หลวงหลวงปู่ดูเห็นได้นะครับแต่ผมไม่เห็นไม่ได้ ให้มีวิธีการถ่ายทอดที่จะให้ผมเห็นหมือนลูกปู่เลยครับข้อนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของอภิญญาต่างหากไม่ใช่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องอภิญญาต่างหากคนหนึ่งกริบเกลือจะให้คนหนึ่งเข็มด้วยมันก็ไม่ได้ไม่ได้อืมันผิดธรรมชาติเสียแล้วค ที่เขาพูดกัน<อ>เขาพูดเป็นคาพังเพยกันมาอย่างนั้นละคือแม่ได้ฟังว่าเขาสามารถจะจะนำให้เราเห็นตามไปได้อันนั้นมันเป็นด้านสมถะเป็นด้านอภิญญาทีนี้เราจะมีคำถามอีกว่าเมื่อเราเห็นความแก่จะเรียกว่าเราเห็นโลกหมดหรือไม่ เท่านี้ก็พอแล้วนี่ไม่ห็นหมดมไม่หมดเลยไม่หมดหรือหมดเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่ทําไมถึงจะเห็นไม่หมดโลกมนุษย์เราก็ไปไม่เท่าเห็นไม่หมดเลยถ้าเรามองถึงนหลวงปู่ถามว่าถ้ามองถึงเห็นความแก่ก็ต้องเห็นโลกหมดต้องเห็นโลกทางปัญญา การเห็นมีกี่อย่างในพุทธศาสนาการเห็นด้วยตาการเห็นด้วยใจปัญญามีกี่อย่างในธารมะพุทธศาสนาจักสุปัญญาปัญญาคือจักสุที่ิปจักขุจักขุทิปสมัญตะจักขุจักขุรอบข้อปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาทีนี้ปัญญาจักสุหรือจักสุรอบข้อเนี่ยเป็นมหาจักสุเหนือสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว เหนือสิ่งที่พระจักขุ่ไปแล้วพระทิพทั้งหลายอยู่ใต้อํานาจอนิจังเมื่อเห็นอนิจังชัดก็เรียกว่าเห็นทิพของทิพทั้งหลายแล้วอ๋อครับคเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจคือคือผมเริ่มเข้าใจคำว่าอืมคําว่าเมื่อถ้าเมื่อเราพิจารเราเห็นอนิจังนะครับอืก็จะมีท่ากับท่ากับลอยเห็นเป็นทิพจักสุขใช่ไหมครับปัญญาจักสุัญญาคือคือถ้าเราเห็นแทน หรือสมาดจังเลยับเราดูรอบครอบครับถ้าเราเห็นอนิจจังเนี่ยเราคงได้ว่าอนิจจ์นะคับมันของไม่เที่ยงร่างกายเราเนี่ยเกิดมันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารวนอยู่แค่นั้นวนอยู่แค่วนแค่ที่ถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บก็เราท่ากับอะไรเห็นนี่เป็นเห็นปัญญาจักสูปใช่ไหมครับถูกแล้วอ่าผมผมผมนึกเข้าใจว่าครับว่าปัญญาจักสูปจักสูปคือปัญญาสมาดจังจักสูปจักสูปรอบครอบก็คือตัวปัญญานั่นเอง ทิพย์จะขู่จะขู่ทริปเนี่ยไม่สำคัญจะขู่ทริปอยู่ใต้ปอยู่อยู่ใต้อํานาจของปัญญาทริปใช่ไหมจะขู่ทริปมองเห็นเทวบุตรเทวนาฬไกายกับปัญญาจะส่นอันไหนไปเร็วกว่ากันเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี่เราเห็นไหมเทวบุตรเทวดาฬิกเราก็เห็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะเทวบุตรเทวนาิกาอินพรมยมยักษอยู่ใต้อํานาจอนิจังเมื่อเราเห็นอนิจังแล้วก็เห็นหมดทั้งใจโลกธาตุ เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเราเห็นหน้าแล้วเราก็เห็นตาอยู่ในตัวนี่เมื่อเราเห็นความจริงแล้วจะว่าเราไม่เห็นโลกก็ไม่ได้เมื่อเราเห็นกองทุกตเต็มไปในโลกเราจะจัดว่าโลกกวิธูได้ไหมนู้แจ้งโลกก็จัดได้เหมือนกันเมื่อเราเห็นสังขานเกิดขึ้นน้าแลผลนั่นแต่สลายสังขานกับโลกก็อันเดียวกัน เพโลกบัญญัติหลายอย่างสังขารโลกโลกคือสังขารสัดโลกโลกคือมูลสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาติกามาพัะจราหกชั้นพุทธโลกได้แก่รูปปภูมิถึหชั้นอรูปปภูมิสี่ชั้นอีกที่นี้เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแล้วจะเข้าใจว่าเห็นโลกเล่านั้นหมดหรือไม่นั่นต้องเห็นนั่นครับต้องเห็นต้องเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเขปัญญานุสสารี เรียกว่าศรัทธานุสลีเชื่อในทางปัญญาเชื่อในทางความเห็นเชื่อในทางในความเห็นชอบเรื่อว่าที่เรื่องศรัทธานุสลีเรื่อปัญญานุสรีคือนือเท่ากับว่า <S <S ลูก ป, ปู่นี่คือคือเชื่อในทางปัญญานะครับเชื่อว่าเชื่่อวาใช้ปัญญาคิดมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอืถูกแล้ว ค, คือมันจะต้องเป็นอย่างนี้เดียวเดี๋เอาอีก ที่ว่าพระบรมาสารสดาทิเอสนานั้นทามาจากกววัตนสูตรนั่นได้ยินจนถึงพมลโลก ค, คนตาบอดอาจได้เห็นคนหูนหนวกอาจได้ยินหน้าตาที่ปิดก็เปิดที่เป็นบุคลาธิฐานพระบรมาสารสดาบอกว่าชาติปิทุก ข, ขาคำเดียวเท่านี้ถูกทัก้งใจโลกทาตเลย ใต้โลกธาตุเต็มไปด้วยชาติเป็นทุกข์เมื่อมีชาติอยู่ก็เป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์คาเดียวก็ถูกหมดทั้งใต้โลกธาตุแล้วกําปั้นตีดินอยู่ที่ประเทศของเราเนี่ยจะเข้าใจว่ามันถูกเมืองอเมริกกาไหมมันก็ถูกไปหมดครมี<ถ>จะมีมหาสมุทรขั่นอยู่ก็าตามใต้มหาสมุทรไปก็เป็นดินครับทีนี้อ่ะ หลวงปู่จะนับเป็นหิเม็ดทรายได้จะเชื่อไหมคือหลวงปู่สอบไปนครับใช่ครับผมโอ้โผมไม่เชื่อฮะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นับผมเชื่อคอ่อเดี๋ยวเดี๋ยี๋เดี๋ครับโนดหลวงปู่จะนับเป็นหินเม็ดทรายในช่องมหาสมุทรไทยดูจะนับเม็ด เม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดหินเม็ดทรายเนอะเอกปฏวีธาตุนับลงเป็นหนึ่งครัคือใายคุณปู่ก็แล้วอ่าทรายก็เป็นหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งทรายครับหนึ่งทรายหรือหนึ่งธาตุดินอสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของของเหลวทีนี้หนึ่งน้ำหลวปูนับอย่างนี้จะถูกไหมเนี่ ถูกครับนับกี่ถูกฮะถูกครับนับในปัจจุบันมมลมพัดอยู่ที่ไหนก็ตามลม ป, ปุ๋กก็นับลงว่าหนึ่งลมแค่นะั้นครับไฟจะมีความอบอุ่นอยู่ที่ไหนก็ตามหนึ่งไฟแค่นั้นนับเป็นทางย่นไม่ใช่ขยายครั บ, รบอ๋อชาพะทุกย่นลงมาถึงเอ ก, กทุกในปัจจุบันชาปะโลกย่นลงมาถึงเอ ก, กโลกในปัจจุบัน พระบรมศ า, ศาสดามาใช้เทศขยายหน้านเดียวเชือกเส้นเดียวนั่นเนี่ยพระบรมศาสดาเทศเวลาท่านขยายออกก็ดึงออกไปเวลาท่านม่วนเข้ามาโค้งเข้ามาก็เป็นอันเดียวกัน